เรื่องพระโลลุทายีเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันส่งปรารคพระโลลุทายีเทระพระโลลุทายีเทระนั้นไปสู่เรือนที่นิมนต์ทำการมงคลก็กล่าวอาวมงคลเช่นติโรกุตสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องการทาบุญให้ผู้ตายส่วนกราวงานอาวมงคล แทนที่จะกล่าวทีโรคุณจะสูตรก็กล่าวมงคลเช่นรัตนสูตรประสูตรว่าด้วยเรื่องการเชื้อเชิญเหล่าเทพมาประชุมฟังธรรมภิกษุทั้งหลายฟังคถาของท่านแล้วจึงกราบทูลพระาศาสดาพระาศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนั้นกล่าวอย่างนี้ในการนี้ก็หาไม่ถึงในการก่อนก็กล่าวอย่างนี้ ทรงตรัสเล่าบุรพกรรมของโลลุทายีในอดีตการพรามชื่ออคทิตั์ในกรุงพาราณสีมีบุตรชื่อโสมทัตกุมานบำรุงพระราชาจนเป็นที่โปรดปรานพรามอาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพแกมีโคอยู่สองตัววันหนึ่งโคตัวหนึ่งตายจึงกล่าวกับบุตรให้ขอโคแก่นายหลวง มหาเล็กสมถต์คิดว่าเราไม่ควรขอเองควรให้พ่อเป็นคนขอจึงคิดว่าจะพาพ่อเข้าไปแต่พ่อไม่รู้ธรรมเนียมในวังจึงหัดซ้อมพูดไว้ก่อนเขาพาพ่อไปที่ปัชชาชื่อวีรนัตธรรมภกะละมัดฟ้อนยาหลายฟ้อนทำสมมุติว่าฟ้อนหนึ่งเป็นพระราชาฟ้อนหนึ่งเป็นวังหน้าฟ้อนหนึ่งเป็นเสนาบดีดังนี้เป็นต้นแสดงแกบิดาโดยลำดับ แล้วจึงชี้แจงว่าอันคุณพ่อเป็นราชสกุลต้องเดินหน้าอย่างนี้ต้องถอยลังอย่างนี้ต้องกราบบังคมทูลอย่างนี้วังหน้าต้องกราบทูลอย่างนี้ต้องถวายชยยมงคลอย่างนี้จึงให้บิดาเรียนคาถาถวายชยะมงคลแล้วขอพระราชทานโคขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้าสองตัว ในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เทพขติยาราชขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่สองเถิดพราหมณ์นั้นท่องคาถาอยู่ราวปีหนึ่งคล่องแคล่วแล้วถือเครื่องบรรณาการไปเข้าเฝ้าเมื่อพระราชาตรัสถามว่าแกต้องการด้วยสิ่งใดเล่าพราหมณ์จึงว่าคถาว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ทูลตามที่ท่องไว้จนถึงคำว่าจงพระกรุณาโปรดเกล้าเอาตัวที่สองมาเสียแทนที่จะพูดขอพระราชทานโคก็กลายเป็นพูดว่าขอพระราชาจงรับโคจะเข้าไปพระราชาจึงตรัสถามเขาว่าแกว่าอะไรนะพรามนั้นก็คงกล่าวบทข้างต้นนั้นนั่นเองพระราชาทรงทราบว่าพรามกล่าวผิดทรงย้มพระสวนคือยิ้ม แล้วตรัสกับสมมาทั์ว่าโคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะสมมาทัตกราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทผู้สมมุติเทวราชโคอันใต้ฝ่าละ อ, องธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแล้วจะมีมากพระเจ้าค่ะด้วยทรงโปรดปราณสมมาทั์ผู้พระโพธิสัตว์จึงพระราชทานโคสิองตัวแก่พราหมณ์สิ่งของเครื่องอลังการ และบ้านที่อยู่แก่โพธิสัตว์นั้นพระศัสดาทรงประชุมชาดกด้วยเรื่องชาดก ก, กัถกถาว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นอานน์ตาพรามเป็นโลลุทธายีนี้มหาดเล็กสมทัศน์ในครั้งนั้นเป็นเราตถาคตนี่แหละภิกษุทั้งหลายโลลุทธายีนี้เมื่อคําอื่นอันตนควรพูดไม่พูดไพลไปพูดคําอื่น มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็พูดแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนมีธรรมได้สดับน้อยมีสุตะน้อยเป็นเหมือนโคถึกดังนี้แล้วจึงทรงตรัสพระคถาว่าคนมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่ ในเวลาจบเทศนามหาชนบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วดังนี้แหละสำหรับคำว่าสุตตะไม่ได้หมายถึงการฟังอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนไม่มีการจดบันทึกเป็นตําราดังนั้นการฟังจึงจำเป็นอย่างยิ่งสุตตะหมายถึงการศึกษาถ้าเทียบกับในปัจจุบัน ก็จะรวมถึงการอ่านการค้นคว้าตำราเข้าไปด้วย